น, นี่งลรงพ่อนึ่งคึกยากอยู่แต่บานนี้จะให้พระให้พระจำซอยปิ้นก็ะบอกไม่นาทีของเพลินพอปันไหนบ้างบางที่จจดเสกระดาษบางที่นิมนต์แล้วลืมจะจดเสกระดาษทีนี้นเนีย่ยเนี่ยว่าลืมเอพระศประกันประกันไ่ว่าประกันความลืมหลงพอ่อได้ยินพระเทระผู้ใหญ่ทางในว่างนิมนต์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 เอาไปมากมันแพ้หอดหมุ้ยเลี่ยงควายหมดแล้วพนมมันบอกเปนชิชนะนมุ้ยเอกนะเอนีเ่ยเหังไอผู้ น, นั้นขึ้นมาผู้ใด ก, ก, ก็มาถอยซกเราก็งงเงี้ยงงเงี้ยงตัวบ้านนะนี่คือกันผู้ใดจะเข่ามากไอ้ใดยังใจเจ้าของผู้นั้นมากกะอยากพบผู้นั้นมากกะอยากพอกผู้นั้นก็มากมากอยากเบาอยา ก, กวานั่มบาดานเฮาอยู่ผู้เดียวนะเถะเฮ็ุยังไงมันหลายคนมันจะไหวปะ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 บอกฝากไว้เป็นไายรักอักษรไว้กับเพื่อนๆฉันสั่งเงี้ยสี่พูนังพูนนี้มาเปิ been, ้เกิดจะเบิ่งเอือยเอือยอ๋อโวยบาไหวละเฮาจะไปรับคูู่่คคนบาไหวลวตายเฮาเมื่อยบาไหวสุขภาพเขาแย่แล้วังีสี่แล้วอ้างเทือกูบาอาจารย์มันก็เขาอูขึ้นกันเนหายามลดเขาอูังไหนี้สีเอามาแล่น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 เราเป็นสยามภูรู้แจ้งโลกเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อนต่อแบบชุดๆสุปัาฐา้อย่างนี้แหลบลีนพอวงพ่อไปใ้ค่าย่าให้่ายมาแสดงความบอกขารบแสดงความบ่ยินดีมไปเฮ้ยขี่คุยลักษณะลักษน่ะก็เป็นภาษาบ้านเฮาพ่อเห็นแล้วเฮ้ยคือเป็นขี่คุยเนาะก็เลยเดินสวนทางกันไป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 นี่อันนี้คือสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าอันน้เป็นสยามผู้รูแจ้งโลกขนาดเพ่นป่วยอาการนักเพียบขนาดนั่นเพ่นก็นยังเดินทางมามาถึงเมืองกุศิานาลาวณาอุทยานของมันลักษัิย์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 แต่หลวงพอ่อเอาความสันสนมั่วเบาหลดมันออปให้จําง่ายๆเฮ้ยพจนบอกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของบ่เทียงร่างกายของข้าวในบ่เทียงนั่อจะไปหาลุ่มหลงมัว่วเมาจนเกิดไปเกิดมาแหละแกเจ็บตายผมมีพลได้สิยูน่นา่นเท่านั้นได้ยืนมืออยู่ยืมืออยู่หายใจบ่เข่าบ่อออกแม่นโหลดแล้วแหละสังขารมันบ่เทียงขนาดนั้นแล้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 ด่อนเขามหาสมาธิของเพลินลยบนแอบพวกเขาก็เห็นแต่กายเพินเท่านั้นแหะใจเพลินบ่เห็นหรือบันเพลินจะเข่าจังไหฮะเพลินเบ่งเองเพลินเบ่งใจของเพลินระบาประโยชน์ตนก็คือยังสูเจ้าทั้งหลายทำล้งชีบโยอยากี้เกียรติแกี่ขานแอบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งศีลทั้งธรรมขยันให้ประมาทหาหนทางเจ้าของเนทั้งศีลทั้งธรรมทั้งบุญทั้งกุศล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 กห้ซอยเหลือคนอื่นบางเนอะจะไปเห็นเบิงแต่เจ้าของให้เบิงผู้อื่นนั่มอันนี้แหละคือความเจริญให้ทำอะไรทั้งสองอย่างคือความบอประมาทจากนั้นโป่งก็บทําการปริเนปพานอย่างว่าเขาสมาธิปฐมมชานปฐมมชาน ต, ตุติยจชานต ต, ติยจชานจะตุตชาน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 เอาสมุติเขาไปว่าบ่อใดมองกันจากแม่เนี้ยเหนือจากส ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม like ุติสมุิบ่ถ <spikes> ูกจังวะนิพพานังประมังสุญยังนิพพานังประมังสุขขังไได้บ่อได้สองขั้มอันนี้ขั้มสองขั้มนี่ก็มาเถียงกันอีกมานี่ยพวกเข้าสูนแล้วไปยังยังสุขสุกแล้วไปยังยังสุนั่นสิสุญอะไรจังไหนมันมันสุแล้วมันจะสุขอะไรจังไหนมันสุขแล้วคำว่สศูน่ะคือยังมาเถียงกันอีกเน่ยจุดนี้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 ชุดโทตนะสุโกตระโธโตตระอามิโตธนะเนี่พี่ีหน่องบาดในลูกของแต่ละคนมนก็มีอีกบาดพระอนุรุธานจะเป็นลูกองคใดบงเพิ่นมาบวชนัระภูติเจ้าบวชนเพิ่นพวนาเน่เพิ่มม น, ดดดน ไ, ดได้สำเร็จเป็นพระหรับนบาดนเป็นผู้มีวิ ช, ชาเป็นผู้มีญานมีวิ ช, ชาเหนือกว่าภิกษุทั้งหลาย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 ถ้าหลงตามีอะไรเกิดขึ้นให้โทรตามด่วนเป็นบอกของท่านเลยจะเป็นกางคํากลางขึ้นนอนรับนอนฝันทุกคนและก็ะไดวันนี้ว่าแจะลงตาไม่อย่างให้บอกเพลินถ้านี่หลวงพอ่อในฐานะที่ว่าเป็นพระเนีย่ยจะว่าะระดับหัวหนาก็วระไดะระดับผู้ใหญ่ที่ดูแลองค์ลงตายู่ ทั้งอา จ, จารย์หมอนพยพจนอาจารย์หมอชูชัยวาท่านอา จ, จารย์วันนี้ท่านอาจารย์จะไปไหนนะท่านอา จ, จารย์ให้เฝ้าขอยเฝ้าหลงตานะอาการหนักนะท่านอา จ, จารย์นะเอา้ามือดเหมือนทุกวันไม่ใช่เหรออา จ, จารย์หมอไม่ใช่นะท่านอา จ, จารย์แวันนี้ไม่ใช่ล่ะ ว, วันนี้เนีเพราะว่าเขาตรวจทั้งไอหยางทั้งมดเตะทั้งหัวใจพ่อมทั้งเลือดทั้งไอหยางเขาเบิ่งมดแล้วเนาะไปเออเพราะผมเคยเคยอยู่ กับคนป่วยคนไข้มาพร้แห้งเนียเขาก็โอ้หเขากโอ้เอาจังไหนฮะนิวเข่าก็บอบสบายใจเคื่อนแอ้ดงตาจะได้จากไปมนันี้แต่ว่าเบื้องหายใจยปกติโยเอาใส่เครื่องหายใจคอยหายใจแอเพิ่ะกระุกกระดิกบางข้างโยนไปเอ้เขาก็นั่งเฝอนางเฝอาะไพ่อคำอเหมยเดือบัน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 ไปพักกับสามสี่ทุ่มเลยสี่หาทุ่ ม, มนะพ่อไปไปพักกับพ่อเคร่อเครืะะเปิบเคื่อกราว่าพ่าก็าตึงตึงตั้งกับมตึงตั้งรอว่าเขาก็ตึงต่างลุกลนแล้วงไปอาจารย์อาจารย์อาหลวงตาอาการไ่ค่อยดีแ ด, ด้ ว, ดวจ้ล้วนอาจัรยเลยครับครับครับครับเขาก็ปุบ ป, ปั บ, บไก็หอบผ่บาคล้องผ่าไตนะว่าหอบอไรก็ผ่าค้เลยม่ตึงเึงนังไปบนในร่างหาะะะัวตาเลยว่า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 ตาตาไม่จริงเขาว่าบนบน่นหนาแน่น่ะมัต้องต่ำกว่านี้แต่ลงตาพอถึงแต่หนะังตาว่างเติรดสื่อขิงหนึ่งเลยวันอาไปเครื่องเครื่องหัวใจันยุดขิงหนึ่งเลยพวก น, นก็พวกหมอเขาก็เบิงเลยวั่ออไปแต่ลงพอโบกจากแล้วลงพอบเมนหมอไหมเขาเลือกลากรล้กลากเขาเฮ็ดยังไง